วันนี้วันเข้าพรรษาราชการเขาหยุดใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาไม่หยุดอาสันหะเป็นไงหยุดไหมหยุดสองวันนะอาสัหะจะได้เป็นวันของญาติโยมไปทําบุญวันเข้าพรรษาวันของพระไม่เกี่ยวกับโยมมอปล่อยหยุดกับเขาด้วย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 นิยมก็จะเอาอย่างบ้างก็ได้นะหลวงพ่อเคยได้ยินมีคนหนึ่งคือเป็นคนจีนเนสคนหนึ่งหลวงพ่อจับไม่ได้แน่นะเดี๋ยวอ้างผิดคนคือคนอื่นเขาอดเล่าตอนเข้าพรรษาแกกินเหล้าเข้าพรรษา <c oughs> คนไปถามว่าทำไมงั้นล่ะนะผิดประเพณีเขาบอกว่าพรรษามันสามเดือนเองนะปีนึงแกกินสามเดือนเองดีกว่าไอ้พวก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 บารมีตัวหนึ่งชื่ออธิฐานบารมีตัวนี้สําคัญมากเลยอธิฐานบารมีหมายถึงว่าถ้าเราตั้งใจจะทําทคุณงามความดีแล้วเนี่ยสู้ตายนะต้องทาให้ได้แต่อย่าตั้งให้โอเวอร์นะตั้งโอเวอร์ไม่ได้คล้ายๆเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะในคืนสุดท้ายก่อนจะตรัสรู้เนี่ยในคืนนั้นแหละคืนที่จะตรัสรูนะ้ท่านเอาญ่าวางลงไปไ่มย่ากุศะไม่ใช่ย่าขานะคนไทยมาแปลว่าย่ า, าคือนั่งย่าคาก็บาทเอาตัวเอง ญากุ๊กู้สญานี้มันจะนิ่มเขาก็ไว้รองนั่งกันอยู่แล้วถ้าเราเอาญาปูลงไปแดกำมือมีอยู่แดกำมือพอรองนั่งไม่หนาเท่าไหร่อยู่ใต้ต้นโพเสร็จแล้วท่านก็ตั้งใจว่าวันนี้ถ้าไม่บรรลุพระอรหันต์ท่านไม่ลุกขึ้นมาแล้วพวกเราคืนตั้งใจอย่างนั้นตายฟรีนะแต่คงไม่ตายหรอกเดี๋ยวก็ลุกแล้วคงนะ <laughs> <laughs> ไม่ถึงกับตายฟรี ทำไมก่อนหน้านั้นท่านไม่อธิษฐานตัวนี้ท่านพร้อมทุกอย่างล้วจิตใจท่านนะพร้อมหมดทุกอย่างนล้ท่านลองค้นกวามาจนมันสุดความดิ้นรนแล้วเนี่ยเขาเลยกลายเป็นว่าท่านพร้อมแล้วท่านก็เลยอธิษฐานไม่ถอยนี่พอลงนั่งทนะ่านเลยว่าไม่ถอยนะตายก็ตายเนี่ยมันก็ไม่ยั่วเสียเพราะนิพพานอยู่ฝากตายจริงๆนะ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 ทุกๆตัวบารมีทุกตัวเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อลดละอัตตาตัวตนทั้งสิ้นเป็นกําลังให้เราลดความเป็นตัวตนทั้งสิ้นเลยอย่างอธิฐานะบารมีเนี่ยตั้งใจแล้วนะตายเป็นตายเพื่อธรรมะก็ยอมนะมีฐานะบารมีสละชีวิตเพื่อธรรมะก็ยอมนะเน<ม>ี่ยมันจะเป็นตัวที่ล้มล้างความยึดใ น, ในตัวในตนทั้งหมดเลยอย่างปัญญาบารมีเนี่ย<ม>เรียนลงไปแล้วเห็นว่าตัวเราไม่มีนี่ก็เป็นตัวล้มล้าง ความยึดในตัวในตนทั้งหมดเลยนะทุกๆตัวแหละจะช่วยเราลดล้างความเป็นตัวเป็นตนนี่เราก็ต้องค่อยสะสมของเราไปทุกๆตัวค่อยๆเก็บสแปรไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนการภาวนาห้ามรีบร้อนถ้ารีบร้อนน้ะโลภะมันนาหน้าไปพอโลภะนําหน้าภาวนาไปแล้วมันไม่ได้อย่างใจนะโทสะมันก็แทรกหุนหงิดสิภาวนามาตั้งนานแล้วไม่บรรลุสัที บางคนก็หงุดหงินะภาวนาตั้งสามวันยังไม่จบอีกหงุดหงิดนะมันก็มากไปหน่อยน้าอย่างนั้นถ้าภาวนากันแรมเดือนแรมปีหลายๆปีจริงๆแล้วแต่ละค น, นะ ภ, านาภาวนาหลายชาติไม่ใช่ชาติเดียวหรอกคนซึ่งภาวนาไปได้ง่า ย, ายๆเนี่ยนะถ้าถามดูเนี่ ย, ยพูดเหมือนๆกันเนละว่าพอรู้สึกตัวขึ้นมาเป็นแล้วนะจะรู้สึกเลยว่าสภาวะอย่างเงี้ยเคยเจอมาแล้วแต่ลืมไป ลืมไปนานเลยนะลืมไป20ปี10ปี15ปี20ปีอะไรเงี้ยคือลืมมาตั้งแต่เกิดนะแล้วตอนเด็กๆเกนี่ยมันเคยปลุปลขึ้นมาให้เห็นๆบ้างนะั้เราก็งงๆนะไม่รู้จักหรอกพวกเราหลายคนในห้องนี้เคยภาวนานะพอเราตื่นขึ้นมารู้สึกไหมมันเหมือนเคยเคยเห็นนะมันเคยเห็นเคยรู้เนี่ยอย่างคุณคุณมาลีนะนะไกลเคยอะไรเนียนะมีเยอะนะเยอะ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 พอมากลับมาเจอของเดิมเนี่ยไม่ลําบากแล้วถนนเส้นนี้เคยเดินแต่เดินทะเลทะไหลออกนอกทางมาช่วงหนึ่งนะกลับมาเอ๊ะถนนเดิมอันนี้เคยเดินเดินไม่ยากล้ที่ผ่านมาทะเลทะไหลออกนอกรู้นอกทางไปบ้างแม้นถ้าพอเจอถนนของความรู้สึกตัวแล้วรู้สึกตัวไปแล้วคอยรู้กายคอยรู้ใจนะความรู้สึกตัวที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นแค่ต้นทางของการปฏิบัติเป็นต้นทางเท่านั้นนะ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 คนซึ่งมันอินทรีย์แก่กล้าเนะีมันไปเองอะ่ะบอกแนวบอกชี้หลักเขตให้ดูนะชี้หมุดให้ดูก็ไปเองอะ่ะบอกหลวงพ่อไม่บอกนะว่าจะให้ทําสติปัฏฐานอะไรไปทําเอาเองแต่ว่าต้องทําสติปัฏฐานจะมารู้ตัวอยู่เฉยเฉยไม่ได้นะรู้ตัวเฉยเฉยใช้ไม่ได้จิตไปเกาะความว่างนิ่งๆ่งอยู่หลายคนมาภาวนาหลังๆเนี่ยเป็นเยอะนะภาวนาไปช่วงหนึ่งแนละ้วจิตใจสบายโปร่งๆลงแล้วก็อยู่ตรงนั้นนะ่ะ ถ้าดูให้ดีนะมีหูตาไวๆเนะีเราจะเห็นเลยคนชนิดนี้จิตมันอกอกนอกจิตออกนอกนะกระจายไปอยู่รอบๆบนอกไปอยู่ข้างหน้าๆอะไรเงี้ยอยู่นอกตัวเองจิตไม่ตั้งมั่นหรอกงั้นอยู่มากี่เดือนกี่ปีก็มีแต่ความสุขเพราะอะไรเพราะมันไม่เห็นทุกข์ทำไมมันไม่เห็นทุกข์เพราะมันไม่ย้อนมาดูกายดูใจกายกับใจนะั่นแหละตัวทุกข์ถ้าไม่รู้ทุกข์ก็เรียกว่าไม่มีวันถึงธรรมลต้องรู้ทุกข์นะถึงจะถึงธรรม ไม่ใช่ไปรู้ความว่างแล้วถึงทํารู้ความว่างไม่ถึงทำํำบางคนก็ง่ายๆนะย่างไปอ่านหนังสือเซนดึใครเคยอ่านหนังสือเซนเวลาอ่านหนังสือเซนไปช่วงหนึ่งรู้สึกไม่ใจเราแปลกๆรู้สึกโล่งๆว่างๆนะแปลกๆตรงนี้เราว่าเป็นผ้าละหันนะนะแล้วก็ไป น, น้อมใจไปอยู่ตร ง, นงนเนี้ยทําอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นโลกธาตุว่างนะว่างอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะออ <laughs> ใช้ไม่ได้ เคาะอ อ, ออกมาให้ออกมารู้สึกตัวให้ ช, ắt, ช ắt. นะัดๆพอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยรู้กายตามที่เขาเป็นรู้จิตใจอย่างที่เขาเป็นอย่าไปจ้องไว้ก่อนจุดที่ผิดนะมันเต้มไปหมดเลยบางทีก็ลอยๆไปกว้างๆอนี้ก็ผิดละไปจ้องเอาไว้ก็ผิดอีกละว น, นสุดตรงทั้งสองข้างเลยลอยๆออกไปน้ําหลงตามกิเลสไปมันอยากสุขอยากสบายก็ไปเกาะเอาความว่างๆ ก็ยังดีกว่าชาวโลกนะชาวโลกหลงตามอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายไปฟุ้งซ่านก็มีความสุขเหมือนกันนะฟุ้งซ่านก็มีความสุขอย่างเที่ยวไปดูสาวมันก็มีความสุขใช่ไหมมันหลงไปเป็นกิเลสพาไปมันก็มีความสุขได้เหมือนกันนี่ก็คอยดูเอานะไม่หลงไปอยู่ในความว่างๆในขณะเดียวกันก็อย่าไปดักดูถ้าไปดักดูไปรอดูจะกลายเป็นการเพ่งจ้องเพ่งจ้องใช้ไม่ได้หรอก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 ก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏรู้ทั้งรูปธรรมรู้ทั้งนามธรรมที่กำลังปรากฏและจิตตั้งมั่นอยู่ต่างหากจิตตั้งมั่นอยู่ต่างหากไม่ถลำลงไปรู้นี่ถลำลงไปรู้เนี่ยเป็นกันเยอะเวลาอยากรู้ให้ชัดก็ถลำไปรู้อยากรู้ให้ไวๆก็ถลำไปรู้กลัวว่าจะไม่รู้ก็ถลำไปรู้อีกถลำลงไปจ้องไว้ก่อนถ้าถลำลงไปรู้ใช้ไม่ได้นะต้องสักว่ารู้สักว่าเห็นรู้อยู่ห่างๆดูอย่างสบายๆ ของคุณที่นั่งข้างเสาเนี่ยะะอย่างนั้นน่ะมันถลําไปรู้ถลําลงไปถลําลงไปรู้มันกลายเป็นการเพ่งจ้องทําไมต้องถลําลงไปเพราะมีโลภะนําหน้าอยากดีอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้มันก็เลยถลําลงไปดูเสร็จแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็นิ่งๆสิไปจ้องเอาไว้มันก็นิ่งจิตนี้มันก็เหนียมเป็นนะเราไปจ้องมันนะมันไม่กล้ากระดุกกระดิกนะมันก็เหนียมเหนียมมันก็อยู่นิ่งๆอย่างนั้นแหละนะ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 อย่างพอได้กลิ่นใช่ไหมต้องมาคิดก่อนใช่ไห ม, มถึงจะรู้ว่ากลิ่นอะไรตามองเห็นมันต้องคิดก่อนนะถึงจะรู้ว่าเห็นอะไรเนี่ยต้องมาอาศัยการคิดฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยเห็นไหมขณะที่ฟังไม่รู้เรื่องนะฟังแล้วก็ต้องไปคิดใช่ไหมคิดแล้วก็นึกว่ารู้เรื่องไม่ใช่รู้เรื่องด้วยธรรมะแท้ๆแล้วแต่รู้ด้วยการคิดเอาเองขนาดฟังหลวงพ่อนะสุดท้ายก็คิดเอาเองสังเกตจิตให้ดีนะ ฟังหลวงพ่อเสร็จแล้วก็แอบไปคิดฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิ ด, คดรู้สึกไหมในขณะที่ฟังไม่รู้เรื่องที่บอกว่ารู้เรื่องนั้นรู้เรื่องตอนคิด <Duncan> เพราะฉะนั้นรู้เพราะคิดอเอาเองนะไม่ใช่รู้จริงหรอกการรู้ธรรมะเพราะคิดเอาเองเนี่ยไม่ลบล้างกิเลสใดๆทั้งสิ้นเลยธรรมะต้องประจักษ์ด้วยตัวเองไม่ใช่คิดเอาต้องเห็นเอาวิปัสนาเห็นเอาคำว่าปัสนาแปลว่าการเห็นไม่ใช่การคิดการคิดเรียกจินตาจินตตา ังนั้นต้อง้งรู้เรานะคอยรู้สึกเรางนั้นใจเราขยับเยื่นเคลื่อนไหวเราคอยรู้นะอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องเนะนี่ยคนซึ่งมีผ้าลูกไม้คลุมอ่ะรู้สึกเปล่ า, เ, าเพ่งสลับกับเหลือดูออกไหมนะเบอร์63รู้สึกไหมแข็งทื่อๆไปแล้วรู้สึกไหมนะเ น, นเบอร์88สนใจเขาลืมตัวเองไปแล้วรู้สึกไหมเนะนี่นหัดรู้สึกอย่างนี้นะรู้สึกไปรู้ทันจิตใจที่มันทางานไปเรื่อย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 ไม่มีหรอกมีแต่ความรู้สึกว่ามีตัวตนขึ้นมาเป็นคราวๆ ร, นะรู้สึกขึ้นเป็นคราวๆจริงๆไม่มีคอยดูนะถึงวันหนึ่งปัญญาแจ้งโอ้ตัวตนที่ถาวรไม่มีหรอกทุกสิ่งมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับพวกเรายังรู้สึกว่ามีตัวตนถาวรอยูนะ่ปุถุชนทุกคนจะรู้สึกว่ามีตัวตนถาวระเราจะรู้สึกว่าในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งในร่างกายเนี้รู้สึกไม่มีเราอยู่คนหนึ่งนี่แหละคือเราละ่ะ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 นะมันตายตั้งแต่วิ่เสร็จไปแล้วนะไอ้คนที่วิ่มดเนี่ยนะกำลังทําอากุศลกรรมอยู่ใช่ไหมไอ้คนซึ่งมันนึกวนะี่งไปเสร็จแล้วอุ้ยเสียใจตัวนี้กําลังรับวิบากอยูนะ่คนละตัวกันแล้วนคนละคนกันแล้วนะมันแว บ, บเดียวถ้าไหนมันก็เปลี่ยนไปแล้วแต่สอนอย่างนี้ไม่ใช่สอนให้เจ้าเล่ห์แล้วไปทําชั่วนะไปตีหัวเขานะสมมติตีหัวคุณสืบสัก์ล้วคุณสืบสักอย่าชกคืนยุดกอนตัวนี้กับตัวเดิมนั้นคนละตัวนะ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 ใจยังยอมรับไม่ได้ใจยอมรับไม่ได้นะบึงคนดูไปพักหนึ่งตายระหว่าตัวเราหายไปแล้วรู้สึกเซง็งเลยชีวิตนี้เซ็งมากนะเบิงวางว่างเปล่าหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เราจะมีชีวิตอยู่ทําไมมีชีวิตอยู่ทีละขณะขนาดแล้วมันจะเสพสุขได้ไงนะต่อไปนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วในชีวิตนี้บางคนก็เบื่อไปเลยนะเบื่อจับจิตจับใจเบื่อทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยนี่นเป็นอาการของคนที่ยังยอมรับความจริงไม่ได้ต้องดูอีก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 ความหลงเกิดแล้วก็เกิดความไม่หลงมันเป็นคู่คู่คู่นะเวลาเรียนนะเรียนทีละคู่ทีละคู่ไปเนีย่ยหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าเนี่ยถ้ามีสติอยู่จะรู้เลยจะมีความรู้สึกนะไม่ใช่คิดนะจะรู้สึกเลยไอ้คนที่หายใจออกนะเมื่อกี้นี่มันตายไปแล้วนีตอนไอ้ตัวนี้กําลังหายใจเข้าอยู่พอหายใจเข้านะเสร็จปุ๊บหายใจออกนะมันจะรู้สึกเลยไอ้คนที่หายใจเข้าตะ ก, กี้มันตายไปแล้วมันไม่มีตัวตนถาวรหรอก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 นะถ้าไม่ขาดมันจะมีตัวเราเที่ยงอยู่งั้นอนะ่ะกี่ปีกี่ชาตินะจนชาติหน้าก็ยังเป็นตัวเราอีกบางคนใช่ไหมจะตายเอาทรัพย์สมบัติไปฝังดินไว้นะเดี๋ยวฟื้นมาจะได้มาใช้เห็นมันฟื้นเลยนะ <c oughs> มันไม่มีตัวเราที่ถาวร น, นะดูไปเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงตรง น, นี้วันใดที่จิตยอมรับความจริงว่าตัวเราที่ถาวร น, นี่ไม่มนะีวันนั้นแหละคือพระโสดาบันนะ